คุณกันตาไม่มีอะไรถามเลยไม่ได้ถามแหมให้จะได้สงเคราะห์คนใหม่ๆบ้างเลยไมไ่ถามเลยบอกว่าีน้คนใหม่ๆเยอะว่า ง, งั้นเอางงเอาเรื่องง่ายๆหน่อยเถอะอนุปพหิกถานี่ได้อนุปพหิกถาไปกี่ข้อแล้วเนี่ยอ๋อ เอาไปใช้ได้ยังไง เ, เอาคือเราบอกวิธีใช้ให้หน่อยเคยเคยคิดว่าจะไม่ครบคนไหนบ้างไหมเนี่ย แล้วก็เคยคิดว่าจะคบคนไหนจะไม่คบคนไหนแล้วจะบูชาใครบ้างบุญเก่าไม่ต้องพูดถึงทําม่ยางก็ไม่รู้เท่าทำแล้วกันบางงั้นเถอะบุญเก่าอะปฏิรูปประเทศคงจะเลือกได้เนาะอัตตาสัมมาปฏิทิจจะตั้งยังไงมั่งมีคนตั้งไหมครับมีคนตั้งไหมครับ อัอตัดสมาปันธิที่นี่น่าสนใจมากนะตั้งปล่าครับใครตั้งยกมือซิโอ้หลายคนัน <c oughs> คนที่ถือศีลนนะ่ะสมาทานศีลนนะ่ะตั้งแล้วนะคนสมาทานศีลนนะ่ะตั้งแล้วตั้งจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่พูดเท็จจะไม่ลักทรัพย์นั่นแหละตั้งแล้วแต่อันที่จริงนะศีลอย่างน้อยที่สุดนะน่าจะเป็น กุศลก ร, รมบทนะว่าีทุจริตสีเนี่ยนะโอ้สําคัญมากๆเลยไอพูดเท็จนี่มันโอย ม, มันมันพื้นระเกินอะวะงัน้นเถอะรุ่นเราแล้วเนี่ยนะมันพื้นจริงๆใครใครยังพูดเท็จอยู่นี่ก็มันไม่น่าจะมีอ่ะถามว่าพูดเท็จเนี่ยมีบ่อยหรือไม่บ่อยแน่ใจนะแน่ใจนะ นะบางทีเนี่ยนะการกล่าวตูเ่เล่นๆเพื่อจะหัวเราะสนุกสนุกนะ <c oughs> นั่นแหละเรียกว่ามุสาวาตนะอันนั้นก็นับว่าเป็นมุสาวาตนยะที่พระ อ, องค์เตือนพระราหุนสมัยที่พระพราหุนอายุเจ็ดขวบอะคือเรื่องไม่จริงอะ่ะแต่ว่าเราหาเป็นโจ๊กะนะซึ่งชาวโลกทั่วๆไปเขาก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาตอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นคํามุสาวาต ดางในพระวินัยก็กล่าวถึงเช่นพระพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยนไปบินทบาทน้ํามันในหมู่บ้านถ้าพระอุ้มบาตรไปตอนเย็นเนี่ยโบราณเขารู้เลยว่าเป็นการไปบินทบาทเนยใสเนยข้นน้ำมันน้าพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยนะมันก็เห็นท่านอุ้มบาตรมาก็ถามว่าท่านประสงค์อะไรบอกว่าถ้ามีเขาถามนี่ก็บอกว่ามาหาน้ํามันเนี่ยเขาก็จะให้น้ํามันให้อะไรใหมน่นี่วันหนึ่งไปก็ไม่ได้อะไรกลับได้น้ํามันมานิดเดียว มาถึงวัดก็พระภิกษุก็ถามว่าท่านได้น้ำมันมาเยอะไหมบอกอุย้ยน้ำมันท่วมหมู่บ้านหมดเลยอันนี้จริงไหมอันนี้มูสาวาตแปลว่าพูดจะหัวเราะเล่นนะ่กรอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเกวียนเนี่ยนะถ้าเป็นเกวียนมันขับมันวิ่งไปเนี่ยนะว่านั่นเกวียนใครก็เกวียนพ่อแม่เธอนั่นแหละอันนี้ก็เป็นลักษณะของมูสาวาตเพื่อที่จะให้คําขันทึ่งสิ่งจริงแล้วสิ่งนั้นไม่จริงการคุยเพื่อจะ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 ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะสนุกสนานด้วยอืแต่ช่านเชื่อไหมว่ามูสาวว่านี่นะโกหกเนี่โกหกไม่สําเร็จครับผมสังเกตมาเยอะแล้วเราลองพูดเท็จอะไรก็แล้วแต่เรื่องอะไรกแล้วแต่ถ้าเราพูดเท็จนะปิดไม่มิดเราไม่สามารถปิดปากคนรอบตัวเราได้เราปิดไว้แต่คนข้างๆเปิดนะไม่ไม่มีทางสําเร็จนะเราต้องอยู่ในคนหมู่มากมีลูกน้องมากเรารู้เลยนะ ถ้าสามีปิดนะภรรยาเผลอไปเปิดนรืภรรยาปิดสามีก็ไปเปิดก็มีหรือคนข้างๆลูกก็ได้นะคนข้างๆบ้านญาติก็ได้เปิดจนได้นะครับเพราะฉะนั้นปิดไม่สำเร็จจริงๆครับเป็นจริงไม่มีประโยชน์แต่การไม่พูดแทนไม่พูดก็ได้นะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้นะ หาหาวิธีพูดเลี่ยงเลี่ยงอะไรไปซึ่งมันไม่ใช่พูดเท็จนะฮะ ย, ยางนั้นก็ทําได้แต่แต่เขาต้องต้องต้องรู้วิธีหน่อยนะครับแบบพระท่านยังมีวิธีใช่ไหมครับท่านยังมีวิธีเลยฮะใช่ไหมฮะขุดดินไม่ใช่หรอกขุดหลุมอะไรเงี้ยนะครับเออแปลกขุดดินอาบัตยังไงครับถ้าขุดดินเนี่ยถ้าโดยอบัตก็เหมือนกับฉันเข้าเ ย, ยนา เหมือนกับเดิมสุราเนี่ยโดยอบัตเท่ากันคนอื่นขุดมันใช้ให้ขุดใช้บอกว่านะนะอาจารย์สันติขุดดินตรงนี้ให้หน่อยนะนะซึ่งมันดินแท้ๆเนี่ยนะอย่างงี้เป็นอบัตแต่บอกว่าขุดล้มตรงนี้ให้หน่อยเขาไม่ได้บอกให้ขุดดินนะบอกให้ขุดหล้มอ่ะแล้วหลุมมันเป็นยังไงอ่ะลุมหล้มมันก็ไม่ใช่ดินใช่ไหมก็ดินมันยุบไปอ่ะบอกให้ขุดล้มอ่ะไม่ได้บอกให้ขุดดิน หรืออย่างคืออันนี้หมายคก็ว่าในในแง่ของพระวินัยเนี่ยนะคือในแง่ของพระวินัยบางคนที่เขาเรียกว่าเอางั้นก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับหลอกลวงใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เพราะการใช้คำเนี่ยน ะ, ะบางอย่างเนี่ยการบัญญัติพระวินัยเป็นพุทธวิสัยพระองค์บัญญัติพระวินัยเนี่ยด้วยอํานาจประโยชน์สิบประการแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่พระองค์บัญญัตินะ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 ถามว่าพระซื้อขายได้ไหมไม่ไ ด, ไได้แต่ถ้าบอกผู้การไปหานั้นมาให้หน่อยได้ไหมได้นั่นนะมนอา้าวมันก็ได้ตามเดิมอะ่ะแล้วแค่ใช้คำไม่ใช่หรืออันนี้แหละที่เรียกว่าพระวินัยที่พระองค์บัญญัตินี้อาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการพระวินัยนี่จริงๆแล้วสำเร็จด้วยศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็สามารถที่จะปฏิบัติและรักษาตามได้ พระองค์บัญญัติพระวินัยด้วยเหตุผลหนึ่งเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความสําราญแห่งสงฆ์สามเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากเก้อนี่แปลว่าอายใช่ไหมเก้อยากก็อายยากแปลว่าแปลเป็นไทยๆว่าหน้าด้านนะนะเพื่ออยู่สําราญแห่งที่สุขผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อ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 คือหมายคําว่าสมัยที่พระองค์บัญญัติวินัยเนี่ยหมู่สงมีแต่หมู่พระอริยะโดยมากพระอริยะเหล่านั้นยอมรับหมดว่าดีควรจะบัญญัติเพราะว่าวินัยเป็นอายุของาศาสนาเพราะฉะนั้นควรที่จะบัญญัติพระวินยัยพาะะ่านสงเห็นด้วยทั้งหมดเลยที่ได้บัญญัติในครั้งนี้เพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วถือว่าเรื่องเสียหายมากในตอนนั้นพระองค์ก็อาศัยเหตุอ น, นั้นแหละบัญญัติพระวินัยขึ้นหมู่สง์ประชุมสงสภาสง์เห็นด้วยในการบัญญัติวินยัย สภาสง์ที่เป็นอริยะนะบุตุชนเอาเป็นประมาณไม่ได้ภาษารีบุตรพระโมกขาลานะพระหมหากระสปาพระอานอนทพระอนุรุทธะพระหมหากัจยนะเป็นต้นเห็นด้วยหมดเลยเพราะฉะนั้นบัญญัติได้นี่ข้อแรกนะเพื่อรับบารีแห่งสงสองเพื่อความสําราญแห่งสงคือจะได้ไม่มีคนผู้หน้าด้านเป็นต้นมาก่อความวุ่นวายให้สงส ง, สงเดือดร้อนอนะทั้งอุโบสถทั้งสังฆกรรมทั้งปวารณาเป็นต้นสงก็อาศัยพระวินัยที่มีอยู่มา ตักเตือนมาบัญญัติมาข่มบุคคลผู้ทำความไม่ดีไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระวินัยอย่างนี้หมู่สงทั้งหลายจักผาสุกเลยเรียกว่าเพื่อความสำราญแห่งสงสมเพื่อข่มบุคคลผู้เก้ อ, อยากหมายถึงว่าจะมีบางคนเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ไม่ควรทำทำไมไม่ควร น, นะมีวินัยด้วยหรือมีศีลด้วยหรือเป็นต้นก็จะได้อ้างสิก ข, ขาบทจะได้ข่มผู้เก้อยากผู้หน้าด้านเหล่านี้ อันนี้เหตุผลที่3ามที่4ก็คือเพื่ออยู่สํารานแห่งพิสูผู้มีศีลอันเป็นที่รักใช่ไหมพิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเนี่ยท่านบวชเข้ามาท่านก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมเป็นวินัยประดุดคนงานใหม่ที่สมัคร <sque ak S 1> เข้ามาก็อยากรู้ขอบเขต <1976. S 1> ของตัวเองใช่ไหมว่าตัวเองนี่มีควรจะมีขอบเขตแค่ไหนเพราะฉะพระพิสูที่มีศีลอันเป็นที่รักท่านเข้ามาท่านก็จะได้รู้ว่าท่านควรจะปฏิบัติเท่าไหร่อะไรเป็นข้อห้ามอะไรเป็นข้ออนุญาตท่านก็อยากรู้ ในคิดว่าเพื่อสําราญแห่งพิสูจผู้มีศีลอันเป็นที่รักในขณะเดียวกันการข่มบุคคลผู้หน้าด้านก็เพื่อความสําราญแห่งพิสูจผู้มีศีลอันเป็นที่รักกําจัดอาสวะที่จะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันอาสวะในที่นี้แปลว่าเรื่องเสียหายการทะเลาะการวิวาทการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการเข็นการฆ่าการเคลียนการตีเป็นต้นที่เห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่เนี่ยนะถ้าพระพิสูจน์ไม่รักษาวินยัยปัญหาเหล่านี้มีเป็นแน่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 เพราะฉะนั้นพระวินัยที่รักษาได้เนี่ยกาจัดปัญหาสารพันได้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ากําจัดอาสวะคือความเสียหายที่เห็นเห็นกันอยู่นี่ออกไปหมดเลยนั้นเคยเห็นพระพิสุท่านอยู่ในศีลแล้วมีปัญหาไหมไม่มีเพราะมั้มนกําจัดความเสียหายทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อต่อไปป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตอันนี้แปล ว, ว่าปิดอบายถ้าอยู่ในศีลเนี่ยปิดอบายแน่เนี่ยนะ นรกเดรัชานเปรตอสุรกายเป็นต้นนี่มาได็ ก, กินพระออกแบบนั้นถ้าพระไม่ไปกินศีลซะก่อนเนี่ยนะทำลายศีลเนี่ยนี่แย่แน่แล้วข้อต่อไปเพื่อความเลื่อมสายแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสายเามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะเขามาอ่านพระวินัยปิฎกนี่นับถือผู้ศาสนาเลยโอ้ทํายากมากเนี่ยนะถ้าใครทําได้อย่างนี้หน้าเลื่อมสหน้ากราบหน้าไหว้นับถือพุทศาสนาเพราะอ่านพระวินัยมางั้นอันนั้นเรียกว่าเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมสใช่ไหม แล้วก็เพื่อรักษาศรัทธาของชุมชนที่เลื่อมใสเอาไว้แล้วทาไม่อย่างนั้นนี่ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายแล้วก็น่าก็เาเบื่อนะก็กำลําคาญเป็นต้น น, นะถ้าไม่มีกรอบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีพระวินัยเลยนะผู้ที่เลื่อมใสยอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงเข้าต่อไปก็คือเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมสัทธรรมนี่คืออะไรปรยิยติสัทธธรรมจักอยู่ปฏิบัติสัทธธรรมก็จักอยู่ปฏิเวศสัทธธรรมก็จักอยู่เพราะมีพระวินยัย นนถ้ามีพระวินยัยพระวินัยบังคับว่าจะต้องเรียนจะต้องศึกษาใช่ไหมพระวินัยเนี่ยบังคับเอาไว้นี่ปริยัติก็จะตั้งมั่นข้อต่อไปอีกเมื่อศึกษาเข้าใจก็จะปฏิบัติตามถูกเพราะฉะนั้นเมื่อปริยัติดีปฏิบัติถูกปฏิเวทจักไปไหนพอนั้าพระองค์บัญญัติพระวินัยเนี่ยศัตธรรมคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็จะดํารงมั่นข้อสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์วินยัยอนุเคราห์วินัยสี่ประการ วินัยก็คือสังวรวินัยหนึ่งะสังวรวินัยสองตหานวินัยสามบัญญัติวินัยแล้วก็สมถาวินัยนะถ้าจำไม่ผิดก็คือวินัยสี่ประการสังวรวินัยแบ่งเป็นห้าตหานวินัยขยายเป็นห้าสมถาวินัยขยายเป็นเจ็บัญญัติวินัยก็วินัยปิดอกทั้งหมดสรุปแล้วก็คือเพื่อรักษาพระศาสนาเอาไว้ว่าโดยรวมๆนะเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป พันพระวินัยทั้งหลายที่พระองค์บัญญัตินั้นมีเหตุผลไม่ใช่ว่าพระองค์นึกอยากจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติขึ้นมาเลยนะจริงๆก็เพื่อประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์หมู่พระภิกษุทั้งหลายผู้ที่เรียนพระวินยัยเนี่ยนะถ้าเรียนได้มากได้กว้างขวางจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ารักษาเราจริงๆริรักษามากซึ่งไม่มีใครจะรักษาเราเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วรักษาจนจเรียกว่ารักษาจนเราไม่เดือดร้อนจริงๆ เพราะศีลที่เป็นกุศลหรือพระวินัยทั้งหลายนํามาซึ่งสังวรวินัยทั้งหมดที่พระองค์ก็ปฏิบัติเพื่อให้สังวรใช่ไหมสังวรก็คือการปิดการการั้นการห้ามบาปห้ามอากุศลทั้งหลายสังวรก็นํามาซึ่งอวิปปิสารอาวิปปิสารก็นํามาซึ่งปราโมทปราโมทก็นํามาซึ่งปีติปีติก็นํามาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธิก็นํามาซึ่งสุขสุกก็นํามาซึ่งสมาธิสมาธิก็นํามาซึ่ง ยถาภูตยานัทสนะยะถาภูตยานัทสนะก็นำมาซึ่งนิพิถานิพิทานนำมาซึ่งวิราคะวิราคะนำมาซึ่งวิมุตติวิมุตตินำมาซึ่งวิมุตติยานัทสนะวิมุตติย า, า, านะัทสนะก็นำมาเพื่ออนุปาธาปรินิพานนีนะอันนี้อยู่ในพระวินัยปิดกคมภีร์ปริวานชื่อหัวข้อว่าจูลสงครามมีมหาสงครามด้วยนะมีจูลสงครามมหาสงครามในพระวินัยเนี่ยไม่ธรรมดา เพราะฉนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจพระวินัยบัญญัติถ้าตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามสมัยสมัยก่อนๆเลยเนะสมัยก่อนๆเลยเนี่ยพระภิกษุที่ปางตายทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะท่านทบทวนพระวินัยของท่านนะแล้วท่านจะมีปีติใช่ไหมไล่ไปเลยปาราชิกท่านก็รอดปีติเลยเนะสังฆาทิเศตก็รอดนิสกีท่านก็ไม่เป็น ปาฏิตีก็ไม่มีปฏิเทศริยะก็ไม่ถูกทุกกดก็ดีไม่เป็นทุภาสิทธ์ก็ไม่ดีถ้าระลึกทุกข้อตามที่ที่ท่องได้ในปาติโมกข์แล้วตัวเองบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าใจว่าจะมีปิติไหมนนะมีปิติไหมว่ไล่เลยนะว่าประราชิกสีเนี่ยนะแต่ละข้ออยเข้าใจอย่างถูกต้องนะตรวจสอบตัวเองโดยประการทั้งปวงจําเดิมแต่บวชไม่มีอับดัตติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะ ถามว่าจากมีปีติและปรามโมทขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่างในเถราคาถามีเรื่องพระรูปหนึ่งท่านบวชมายี่สิบกว่าปีแล้วจิตไม่เคยสงบเลยศึกก็ไม่ได้บวชต่อไปก็ไม่เจริญทำยังไงดีนะตายดีกว่าอย่าอยู่เลยเอันนี้ก็แต่ฆ่าตัวตายก็เอามีดมาเลยจอคอในความที่ท่านเรียนพระวินัยมาดีใช่ท่านก็ตรวจดูศีลไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยก็เกิดปีติปรามโมท เจริญวิปัสนาบนรรลุมรรคผลเลยไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยนะแต่นี้ก็ก่อนจะตายก็ก่อนที่จะตายก็นึกถึงศีลก่อนใช่ไหมค่อยเชือ่อดังนั้นะจะได้ไปดีอะ่ะเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ามันอะไรเป็นอะไรนะพอเจริญปีติเกิดแล้วก็เจริญวิปัสนาบนรรลุมรรคผลเลยอดเชือ่อดเลยคนนี้อดเชือ่อคอตัวเองตายนะเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยถ้าใครทรงจําไว้ได้และเลิกไว้ได้ก็ปีติปราโมทย์เป็นอย่างมากจำนวนเย็นนิพ ไปเหนก็นั่งตรึกเลยใช่ไหมเออนะีข้อที่หนึ่งเราก็ปลอดภัยนะข้อสองอุโบสถเราก็ปลอดภัยข้อสมอุโบสถก็ปลอดภัยข้อสี่ก็เยี่ยมข้อห้าก็ไม่ขาดไม่ตกไม่บกพร่องข้อห ก, ก็บริสุทธิ์ ด, ดีข้อเจ็ดก็ควรแก่การสงมนับเหลือเกินอย่างเง้ยนะข้อ8ดก็เยี่ยมโอ้ปีติเลยอย่างเง้ยแต่ทีนี้ถ้าเพิ่งทําก็อาจจะยังไม่ทันปีติเพราะนึกถึงซีนน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่นึกได้ว่าละ ชั่วโมงละครั้งอะนะคุณอุไรชั่วโมงละครั้งใช่ไหมชั่วโมงละครั้งอะนะก็หรือถ้าถ้าทุกห้านาทีด้วยก็ยิ่งเจ๋อเลยคันนี้ะนะียติดสัญญาณกุศลเนี่ยทุกห้านาทีหรือทุกสองนาทีหรือถ้าเจริญได้ตลอดเวลาแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อความบรรลุมรรคผลนะไม่มีวัตถุใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลของท่านเพราะท่านอุปมาว่าศีลนี่ประดุจแผ่นดินใช่ไหมเห็นทุกอย่างเป็นศีลหมดเลย ซึ่งเรายังทำไม่ได้ก็จะเพิ่งปฏิเสธแต่ว่าสมท า, านไว้เถอะเราจะต้องทำให้ได้มองเห็นทุกอย่างก็คือเห็นศีลด้วยได้ยินเสียงทุกอย่างก็คือได้ยินเสียงศีลอยู่ด้วยในนั้นเนี่ยนะเพราะถ้าเห็นศีลเนี่ยจึงเป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมชั้นสูงมันอารมณะปัจจัยใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกุศลชั้นสูงไม่มีสาหรับเราเนนะก็เจริญกว่าจะถึงวันนั้น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 ของเราทั้งหลายเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะทรงจำเนี่ยนะก็จะทรงจําเป็นต้นอันนั่นแหละก็จะเข้าหลักที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลของเราทั้งหลายเนี่ยนะเพราะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นเป็นการฟังเพื่ออะไรเพื่อบ่มอินทรีย์เนี่ยนะเพื่อเพิ่มสัตทินทรีย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนให้พระพิสุเนี่ยฟังธรรมจากพระองค์เพื่อฟังเป็นกถาวัตถุสิบอ น, นะั ฟังเพื่อให้เห็นความมักน้อยในมหาพูดอย่าไปมักมากในมหาพูดเนี่ยนะถ้ามักน้อยในปัจจัยสี่นี่ฟังแล้วเราก็ไม่เห็นหน้ามักน้อยเลยนะแต่ถ้าบอกว่ามหาพูดเอเอใช่หน้ามักน้อยมากแล้ น, นะกลัวมหาพูดมันจะกัดเอาเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีเพื่อปรารบความเพียนเพื่อกายวิเวกจิตวิเวก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 แล้วก็ไม่ได้กุศลจิตก็ไม่ค่อยเกิดมากนะคําพูดก็ขาดเมตตากรุณาต่อกันเป็นต้นซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพอนานๆาเข้าเป็นอลคัตทูปมาปริยัติเนี่ยนะเรียนไปก็เอาไว้ข่มผู้อื่นเอาไว้แก้ต่างให้ตัวเองตัวเองทําผิดก็ยังดียังใช้ได้นนเอาไว้แก้ต่างตัวเองแล้วก็ตั้งความปรารถนาลามกเป็นต้นซึ่งไม่สมควรแต่ควรเพื่อเรียนให้เห็นคุณของพระรัตนาตายใช่ไหมเรียนเพื่อให้เห็น คุณของคาถาวัตถุสิบเห็นข้อปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะได้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเรียนศักแต่ว่าแค่ไม่ให้เขาดูหมิ่นเะนี่ยนะไม่พอหรอกเพราะว่าถึงเขาจะชมนะถึงเราเรียนได้เยอะจําได้มากถึงเขาจะชมนะ อ, องตัดว่ามันเล็กน้อยไม่พอจะพ้นทุกหรอกคําที่คนอื่นชมนะช่วยเราได้จริงๆริงไหมะนะเพราะฉะนั้นในห้องเราเนี่ยนะก็มีผู้ที่ถูกชมแล้วก็ถูก ถูกกระดับได้รับโลกกระทำมาเป็นอย่างดีใช่ไหมทั้งละ อ, อะไรนะทั้งนินทากับสรรเสริญแรกๆก็สรรเสริญก่อนใช่ไหมตอนหลังก็นินทาว่าแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็คนที่จะมีครอบครัวนะจะโดยทั่วไปนะจะชมกันก่อนใช่ไหมชมกันก่อนอีกฝ่ายก็ชมอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ชมอีกฝ่ายพอชมกันานานๆเข้าอยู่ร่วมกันานานๆเข้าก็นินทาอีกฝ่ายแล้วกันเนี้นะกลายเป็นรับโลกกระทำฝ่ายไม่ดีแทนแล้วกันะะเนี้ นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมแค่รับคําชมเฉยๆไม่พอจะช่วยเราพ้นทุกข์รอกนะแล้วก็คนที่ชมนั่นแหละอาจจะด่าเราก็ได้ในวันหลังเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่ใจในส่วนนั้นให้มากนักไม่งั้นก็ไม่สมวัตถุประสงค์ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องโลกธรรมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวถึงอันนี้ส์ท้องการฟังธรรมก็อยากจะกล่าวในส่วนนี้ซะก่อนถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากว่า เมื่อเรียนกันไปมากๆกลับขาดเมตตาต่อกันอันนี้ที่ที่ไม่ของมาเนี่ยค่อนข้างเบื่อเอามากๆเลยแหลนนะนะคือทําไมไม่มีเมตตาต่อกันหน้าเรียนไปแล้วน่าจะหวังดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทําไมซูเปอร์อีโก้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยนะเห็นสนุกเลยนะแต่ละคนก็ถือตัวเยอะยิงจ้องฮองพยองโอ้ยไม่ไหวเนี่ย ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วจรนทิติมีข้อคิดอย่างไงบ้างในเรือ่องนี้ก็มีความรู้สึกเห็นด้วยอย่างนี้นะครับเพราะว่าในขณะที่มีการศารึกษาโดยเฉพาะเริ่มต้นแนวนี้นะครับจะส่วนสำคัญก็คือจะต้องจดจำ ดัง้นการที่มุ่งที่จะจดจําโดยที่ไม่ได้อบรมเจริญกุศลประเภทอื่นๆอย่างโดยเฉพาะอย่างเมตตาเนี่ยก็เป็นไปได้มา ก, ากนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีกิเลสประจําตัวอยู่ทั้งการที่จะอบรมทั้งสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภ า, าวนาไปด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรมากแต่ว่าพื้นฐานจากการที่ท่านแนะนําโดยเฉพาะเรื่องของมงคลสูตรทุกคนก็คงจะเห็นประโยชน์มาก เพราะฉะนันก็หลายคนบอกว่าเอาไปใช้ได้แต่ความจริงแล้วทุกคนเนี่ยมีะนะครับแล้วก็มีอัธยาศัยในการที่จะเจริญกุศลเหล่านี้แต่ว่าส่วนที่จดจำได้นั่นน่ะซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นส่วนที่จะต้องเอาไปเจริญนะคระับ mm hmm. นั้นถ้าจำได้แล้วก็ไม่ได้เอาไปเจริญเนี่ยมันก็จะมีผล mm hmm. ก็คือทำให้อย่างท่านว่าถ้าจาได้น้อยก็อาจจะน้อยใจ